272เช่นกิริยามิจฉาต่างๆที่จะต้องหยุดกิริยานั้นให้ได้หรือแม้แต่มิจฉาต่างๆที่เป็นอาการกิริยาของคนอันอยู่ในกรรมทั้งหลายที่จะต้องปฏิบัติให้สำมาจึงจะมีชีวิตจเจริญ ไม่ว่าจะเริญเพียงภายนอกหรือจะเริญถึงกิตใจและในแบบโลกีก็ดีหรือในแบบโลกุตระก็ดีภาวะบาปก็ต้องรู้ให้ถูกต้องและต้องหยุดทำกันจริงๆ จ, งจึงจะสิ้นบาปแน่แท้ถ้าหยุดทำเพียงแค่ภายนอก ก็ไม่มีบาปที่จะไปกระทบคนอื่นสัตว์อื่นใดไม่มีเวรมีภัยขั้นยาบและถ้าหยุดทำได้ภายในใจได้เลยทั้งภายนอกด้วยก็ไม่มีบาปภัยใดเลยถ้าใครหยุดทำภายในใจได้จริงแต่ภายนอกยังทำภยัยทำโทษกับคนอื่นสัตว์อื่นอยู่นั้น ก็แล้วแต่ว่าสัตว์นั้นคนนั้นเขาจะจองเวรจองภัยกับตนหรือไม่หากคนอื่นสัตว์อื่นยังจองเวรจองภัยกับเราอยู่ก็ย่อมมีเวรมีภัยกันต่อไปบาปจริงๆ จ, งจึงคือกิริยาอาการทั้งภายนอกทั้งภายในที่ยังเป็นภัยเป็นโทษ ผู้หยุดทำภัยทำโทษทั้งภายนอกและภายในจึงได้แก่ผู้ไม่มีบาปไม่มีชั่วแต่ผู้นี้จะมีแต่กุศลกิจและทาแต่กุศลทั้งภายนอกภายในส่วนผู้มีกิริยาอาการภายนอกจะดูเหมือนทำชั่ว เช่นพูดด้วยวาจาท่าทางที่ดูแรงดูดุทั้ทงท่าทางซุ้มเสียงภาษาแต่ใจท่านนั้นหวังดีทั้งนั้นมีแต่กุศลจิตจะไม่มีเชื้อร้ายในใจชักนำอสังขาริกังเลยอย่างแท้จริง ซึ่งผู้อื่นจะไม่สามารถร่วงรู้ความจริงนี้ของท่านได้อย่างนี้คือกรรมที่ไม่มีบาปสำหรับตนเลยแต่ถ้าคนอื่นยึดถือก็ย่อมมีผลอยู่แน่เป็นจองเวรจองภัยกันไปสำหรับผู้ยึดจึงต้องรู้จักรู้แจ้งรู้จริง อาการกิริยาของบาปของกิเลสแล้วปฏิบัติจนกระทั่งมีผลสติเป็นใหญ่อธิปไตยปัญญาเป็นยิ่งอุตระพระไตรปิฎกเล่ม24ข้อ58ผู้ปราศจากกิเลสในใจแม้แต่อนุสัยถือว่าสูงสุดยอดเยี่ยมหากยังเหลือกิเลสอยู่แค่สิ้นอาสวะ แต่ยังมีอนุสัยอยู่ก็ยังมีผลแห่งอกุศลอยู่จริงตามที่มีจริงแม้มากหรือน้อยนิดนั้นๆผู้สิ้นกิเลส ถ, ถึงขั้นอาสวะาอ น, านันอาวิชาสวะถือว่าเป็นผู้สิ้นเจตนาแล้วจริงสำหรับผู้ที่ผ่านขั้นตอนของอรหัตผลขึ้นไป ส่วนอรหันต์นั้นคือผู้หมดสิ้นแม้แต่อวิชานุสัยพลังของสติและปัญญาจึงจะมีฤทธิ์สามารถหยุดอาการกิริยาของบาปของกิเลสได้วิมุตต์อันเป็นแก่นสาระของาศาสนาพุทธก็มีปรากฏการจริงสัจจะภาวะในตนขึ้นให้ผู้ปฏิบัติรู้จักรู้แจ้งรู้จริง เป็นภาวะเฉพาะตัวปัดจัดตั้ง